ให้เหมาะกับจิตของผู้ฟังผู้ฟังก็ตั้งใจจดจอ่อมีสติกำหนดรู้จิตโดยเอาเสียงแห่งการแสดงธรรมเป็นอารมณ์จิตเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติโสตะทะวารทวารคือหูประตูคือหูเป็นช่องทางเข้าออกของอารมณ์ ช่องหงซึ่งเรียกว่าโสตถวารสิ่งที่มาสัมผัสกับประสาททางหูคือเสียงเมื่อผู้ฟังมีสติกําหนดรู้จิตเสียงเข้ามามีสติรู้ได้เที่ยวว่าเอาเสียงเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติทางเข้าทางออกของอารมณ์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 เพราะฉะนั้นเครื่องมือสื่อสารกับโลกภายนอกของจิตคือตาหูจมูกเลิ้นกายและใจตาหูจมูกกลิ้นกายและใจนี่แหละเป็นที่เกิดของอารมณ์และกิเลสทั้งหลายเมื่อตามองเห็นรู้ถ้าหากว่าจิตอ่อนสติหรือสติอ่อนรู้ไม่ทันเพลอเกิดความยินดีก็ เป็นกามันตัณหาเกิดความยินร้ายก็เป็นวิภวตัณหาถ้าไปยึดมัน่นถือมัน่นในความยินดียินร้ายก็เป็นภวะตัณหาสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางหูจมูกลิ้นกายก็ดีก็เช่นเดียวกันเมื่อสิ่งซึ่งมาสัมผัสกับจมูกลิ้นกายได้ใจ ถ้าเกิดความยินยินร้ายก็เป็นกิเลสยินดีก็กามาตัญหายินร้ายก็วิภาวะตัญหายึดมั่นในสิ่งนั้นก็ภาวะตัญหาเมื่อเจตในความรู้สึกว่ามีการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาอยู่พร้อมเขาก็ย่อมมีความยินดียินร้าย ถ้าสิ่งที่พอใจยินดีก็มีความทะเยอทยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่สิ่งใดไม่พอใจเกิดความยินร้ายก็ทะเยอทยานอยากจะให้พ้นไปหรือหนีให้พ้นในเมื่อไม่สมหวังหรือหนีไม่พ้นก็เป็นทุกข์ทุกข์กที่เกิดเพราะปัญหาคือทุกข์อริยสัจทุกข์อริยสัจนี่หมายถึงทุกข์ใจ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 จนกระทั่งรู้สึกว่ากายหายไปยังเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวลอยเด่นอยู่ในถํำกลางแห่งความว่างสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีแม้แต่จะไปมีความคิดความอ่านก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีประสาททางกายช่วยให้เกิดความคิดอ่าน หรือไม่มีส่วนที่จะช่วยให้เกิดความยินดียินร้ายในเมื่อเรามาพิจารณากันดูให้ซึ้งความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราสเสวยอยู่เพราะเรามีกายถ้าหากว่าเราไม่มีกายมีแต่จิตปัญญาดวงเดียว ความสุขก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีนี่แต่ความว่างเปล่าว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่มันเป็นกลางกลางอันนี้คือความเป็นเล่นจริงของจิตแท้ จ, จ, ไปไปทจิตตั้งเดิมจิตจะไปอยู่นิ่งๆว่างๆปะพัชรันไม่ทางพิกเวติดตั้ง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 มันก็ยังทรงความเป็นผ้าสีขาวของมันอยู่อย่างนั้นเจตของคนเรานี่ก็เหมือนกันดั้งเดิมก็เป็นผิต ท, ที่มีสีขาวแต่ในบางครั้งจะมัวหมองผุดมัวเพราะอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกกลิ้นกายไปปรุงแต่งจิตให้มีความยินดียินร้ายจึงเกิดความมัวหมองเกิดความเจ้าเกิดความไม่สะอาด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 เฉพาะแต่สมถะกรรมาฐานอย่างเดียวมีถึงสี่สิบแบบทางนี้ทางนั้นก็เพื่อให้นักปฏิบัติทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิถึงจุดที่ไม่มีอารมณ์ติดมีแต่จิตนิ่งสว่างสวัยอยู่รู้ ร, รู้ตื่นเบิกบานก็เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าจิตแท้จิตต่างเดิมของเรานั้นมันเป็นอย่างไร ในเมื่อเราได้รู้ความเป็นจริงของจิตแท้จิตรั้งเดิมเราก็จะได้ความรู้ว่าจิตเป่าแก่แค่ดั้งเดิมของเรนั้นเป็นจิตที่ประพัสดสนเป็นจิตที่เต็มปกติเป็นจิตที่ค่อนข้างจะสะอาดแต่ไม่ถึงบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงที่ว่าไม่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงนั้นก็เพราะเหตุว่า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 ในสมัยโบราณพวกฤาษีทีไพรทั้งหลาย <c oughs> เขาบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้ฌานสมาบัติแปดจิตที่อยู่ในสมาบัติแปดตั้งแต่ขั้นจะจุดทาชานขึ้นไปจะรู้สึกว่าไม่มีร่างกายตนตัวปรากฏเพราะทสมาธิภาวนาได้ฌานถ้าไปหลงติดหลงติดความว่างในสมาธิในฌาน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 พระองค์ทรงจัดเจ็นในเรื่องของของสมาธิพระองค์จึงมาบัญญัติสมาธิที่เป็นไปตามแนวทางของฌานสมาบัติว่าอารัมมณูปนิธานเธอเม่เจตสงบแล้วไปรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวความรู้ไม่ปรากฏสบายดีเหมือนกัน แต่เสร็จแล้วสมาธิในระดับฌานสมาบัตินี้มันเป็นสมาธิเพียงแค่ขั้นโลกีเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นโลกุตระอย่างดีผู้สําเร็จสมาธิในขั้นนี้ก็ไปเกิดเป็นพระพรหมตั้งแต่ปฐมฌานจนกระทั่งถึงเนวสัญญาลาสัญญาญตณนะถ้าฌานไม่เสื่อมสมาธิไม่เสื่อมตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหม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 ก็มีวิตกวิจารปีสิสุขเอกัขตาเช่นเดียวกันกับสมาธิในฌานสมาบัติแต่เมื่อจิตสมาธิของในแนวทางอาริยมรรคอริยผลเมื่อจิตสงบลงไปแล้วในขั้นต้นก็อาจจะมีความสงบเข้าไปสู่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่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 พรู้สึกว่าจิตมีอาการเริมเร่มๆจิตยหยุดบริกรรมภาวนาแล้วความคิดอื่นมันเกิดขึ้นนอกจากบริกรรมภาวนาในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตกำลังจะเดินเข้าไปสู่อารัมมณิอนุปนิธทานในบางครั้งบางทีนักปฏิบัติทำสมาธิให้ได้อัปปนาถึงอัปปนาสมาธิ ภาวนาโพธโพธีไรเกิดเข้าสู่อัปปนาสมาธิทุกครั้งทุกทีแล้วเป็นนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิเป็นเวลานา น, านๆหลายหลายท่วโมงทีนี้แต่เมื่อภายหลังเรามาภาวนาพธิโโพธโทธเพีททยงสองสามคำเกิดมันก็โวบลงไปนิดหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาฟุ้งๆุ้งขึ้นมาอย่างกระน้ำผุ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 ถ้าภาวนาโพธโทอยู่ถ้าจิตนิ่งอยู่กับโพธโทก็ปล่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้าจิตเท่งโพธโทไปคิดอย่างอื่นพอรู้ตัวให้เดึงกลับมาหาโพธโทอีกนี่เราจะได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้แต่วันนี้ท่านมาได้ยินว่า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 ใจสงบนิ่งเป็นสมาธิรู้ที่จิตเพียงอย่างเดียวความรู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งอารัมมณูปนิลัคขณูปนิธานเมื่อเจสงบแล้วความรู้ความคิดอ่านมันเกิดขึ้นอย่างกระน้ำพุทีนี้ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาไม่เข้าใจผิด ปล่อยให้มันคิดไปตามธรรมชาติของมันแต่เรามีสติกำหนดลูกความคิดนั้นไปเจดเทศไปถึงไหนเคสเรื่องอะไรเคสเรื่องบุญเคดเรื่องบาปเคสเรื่องปู่สนเรื่องอาปู่สนปล่อยให้คิดไปบางท่านอาจจะคิดว่าถ้าเผื่อไปเคสถึงเรื่องบาปทำบาปทำกรรม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 เอาความคิดเป็นอารมณ์สิ่งโล้สติเป็นสิ่งละเอาอารมณ์เอาความคิดเป็นสิ่งโูภของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติทีนี้ถ้าหากว่าสติของเราไปกำหนดจดจ้องโล้อยู่ที่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปโดยไม่สนใจกับสิ่งอื่นลู้แต่ความคิดอย่างเดียวมันก็กลายเป็นปิตานุปัสนาสติปัฏฐาน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 เมื่อเจตมมสติกำนดูลรล้ที่เวทนาก็เรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานถ้าเจตไปกำหนดหมายรู้เรื่องแห่งความคิดซึ่งเป็นกุศลหรืออกุศลก็เป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเรามีความคิดได้เพราะเรามีกายอาศัยกายเป็นเครื่องมือ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 ก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางทีเราอาจจะได้เจริญสติปัฏฐานสี่ในขณะจิตเดียวพร้อมกันไปเพราะถ้าจิตรู้ว่ามีกายก็กา ย, ก า, ย า, านุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ว่ามีความคิดก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ว่าความคิดทําให้สุขหรือให้ทุกข์ก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน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 เจตานุปัฏนาสติปัฏฐานทำมานุปัฏนาสติปัฏฐานโดยลําดับคือว่าทําให้คล่องตัวชํานิ้ทํานานแต่และอย่างละอย่างแต่ความจริงไม่ใช่เป็นแบงนั้นเพียงแต่เราตั้งเพียงแต่เรามีสติกําหนดรู้จิตของเราเพียงอย่างเดียวแม้แต่ความรู้สึกความคิดที่ยังหยาบหยาบเราก็สดสามารถว่าเรามีกายสามารถรู้ว่าเรามีความคิด สามารถรู้ว่าเรามีสุขมีทุกข์สามารถรู้ว่าจิตของเราความสงบของจิตนี่ก็มีอยู่สองขั้นตอนเหมือนกันอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติน้อนปิดให้เกิดความสงบหรือนอนปิดให้ผูกอยู่กับอารมณ์เดียวเทียงแต่จิตหยุดคิดจุดหยุดความวุ่นวายไปลุยในสิ่งสิ่งเดียว แต่หากว่าความตั้งใจที่จะควบคุมจิตให้รู้ในสิ่งเดียวยังไม่หมดไปแต่สามารถทำจิตให้สงบได้อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความสงบยังไม่ใช่สมาธิสมาธิจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อผ่านความสงบไปแล้วเมื่อจิตเกิดมีความสงบสมาธิดด่งลงไป เกิดมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งมีความสว่างสวจิตปฏิวัติตัวไปตามขั้นตอนของสมาธิจิตจะอยู่ในฌานที่หนึ่งก็เป็นไปเองจะก้าวขึ้นสู่ฌานที่สองก็เป็นไปเองจะเข้าขึ้นสู่ฌ า, า, านที่สามที่สี่หรือไปถึงสมาบัติแปดก็เป็นไปเอง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 โดยเอาสัญญาความจำเข้าไปปรุงแต่งสมาธิและฌานของเราให้เป็นไปสามขั้นตอนแต่มันเป็นเพียงสมาธิหรือฌานที่เราตกแต่งเอามันยังไม่ใช่ของจริงในเมื่อเราภาวนาฌรนสมาธิยังไม่ใช่ไม่ถึงของจริงหรือไม่รู้ของจริงสมาธิยังไม่เป็นเองโดยธรรมชาติเราจึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาจิตของเราให้ตกไปได้ บางทียิ่งทำสมาธิเก่งเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เกิดทิฏฐิมานะมากขึ้นเท่านั้นอันนั้นมันยังใช่การไม่ได้เพราะฉะนั้นหลวงปู่เสาท่านจึงเตือนโลกเศษโลูกค้าเสมอว่าให้เร่งแร่งภาวนาเข้าให้มันถึงความเป็นเองคำว่ถ า, าถึงความเป็นเองนี่เจตจะสงบเป็นสมาธิก็เป็นไปเองโดยธรรมชาติ เจตจะเกิดโทมความรู้ก็รู้ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเจตจะแยกออกจากแยกตัวออกจากอารมณ์ก็เป็นไปเองโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะไปตกไปแต่งหรือไปแยกแยะเอาเองที่เราตั้งใจตกแต่งแยกแยะมันไปเป็นเสียเพียงภาคปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติเพื่อนําจิตเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิ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 เราก็ได้ความรู้ว่าทำสมาธิวันนี้จิตไม่สงบแม้ว่าจิตจะไม่สงบแต่เราจะได้พลังทางสติเพิ่มขึ้นทั้งๆที่จิตไม่สงบนั่นแหละมันก็จะเพิ่มมันจะสร้างพลังงานของมันไวท้ทีละน้อยละน้อยในเมื่อมีพลังพร้อมขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะสงบเมื่อไหร่เขาก็จะเกิดความสงบขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ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 เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสมาธิเราต้องนั่งหลับตาแต่เพียงอย่างเดียวแม้แต่ว่าเราฝึกสติให้รู้พร้อมอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานเดินทาผู้คิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจก็ได้เชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากเราจะไปถือเอาเพียงแค่ว่าเวลานั่งสมาธิหลับตาจริงจะได้ชก่ดว่าปฏิบัติสมาธิเมื่อออกจากที่นั่งหลับตาสมาธิมาแล้วเราไม่มีสติสำรวมระวังตาหูจมูกเล่นกายได้ใจมันก็ไม่คุม้มค่าเพราะวันหนึ่งๆเราอาจจะมีเวลานั่งสมาธิไม่ถึงสี่ชั่วโมงนั่งกันเพียงสามสิบนาทีเพียงชั่วโมงเดียว ไปเอาความสงบแต่ในขณะนั่งเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อออกมาแล้วปล่อยจิตปล่อยใจให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมไม่มีการสํารวมสติสัมปชัญญะมันก็ไม่คุ้มค่าดังนั้นการฝึกสมาธิปฏิบัติสมาธินี่เราจะอยู่ในอริยาบทใจเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราอยู่ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิทางนั้น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 เด็กที่ไปฝึกสมาธินั้นมีทั้งเด็กชาวพิษเด็กชาวพุทธหรือบางทีอาจจะมีเด็กอิสลามปนไปด้วยพอถึงเวลาจะปฏิบัติสมาธิก็มีการไหว้พระสวดมนต์ตามขนบธรรมเนียมแล้วมีการกราบมีการไหว้แล้วก็มีการสวดมนต์ก่อนอื่นก็ให้คำเตือนเด็กๆทั้งหลายว่า พระเจ้าของแต่ละบุคคลอยู่ที่ใจของตนของตนถ้าผูในน้ใดมีพระเจ้าอยู่ในใจกราบลงที่ใดก็ถูกพระเจ้าของตัวเองเด็กมันกราบหมดทุกคนทีนี้พอเสร็จแล้วพอถึงเวลาสวดมนต์อา้าวท้าวพสสวดอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปันโนชาวพิคลิต สวดมนต์ตามแบบฉบับของศาสนาของตนเองที่ในชาวพุทเราก็สวดอิติปิโสของเขาก็สวดตามสูตรของเขาสวดไปที่ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างตามที่เขาเรียนมาพอถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาเอา้าชาวพุทธภาวนาพุทโธชาวคริสต์ภาวนานึกถึงพระเจ้าของตัวเอง แล้วเด็กพวกคนมันก็นั่งสมาธิร่วมกันทั้งเด็กชาวพุทธชาวคริสต์พอเวลาปฏิบัติสมาธิผ่านไปประมาณชั่วโมงเศษๆขอสั่งให้พักเด็กชาวพุทธกับชาวคริสต์มันก็หันหน้าก็มาคุยกันแล้วมาถามกันว่าเธอภาวนานแ ล, ล้ลถึงพระเจ้าของเธอจิตของเธอเป็นอย่างไรบ้างเด็กชาวพุทธถาม เด็กชาวคริสต์เขาก็บอกว่าฉันภาวนานึกถึงผู้แทนพระเจ้าของเขาของเราคือพระเยซูเราก็บริกรรมภาวนาเยซูเยซูพอบริกรรมภาวนาไปมันมีอาการเคลิมเคมเหมือนกับจยาพ่วงนอนเสร็จเเจ็มันก็วูหลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบาน มีความสุขความสบายมีปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีปีติมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกซึ่งในชีวิตไม่เคยพบกับความสงบและความสุขอย่างนี้เลยแล้วเธอละ่ะเธอเป็นชาวพุทธเธอภาวนาอะไรฉันก็ภาวนาพุทโธพุทโธของฉันเพราะพระเจ้าของฉันก็คือพระพุทธเจ้าฉันก็นึกถึงพระเจ้าของฉัน เมื่อเธอเนืกถึงพระเจ้าของเธอแล้วจิตของเธอเป็นอย่างไรเด็กท่าวโพตก็บอกว่าในเมื่อเนืกถึงพระเจ้าของฉันเกิดโพธพ์โ ธ, โธจิตของฉันมันก็สงบลงไปพอสงบลงไปลรวก็รู้ตื่นเบิกบานสวา่างสวัยอา้าวทำไมมันเป็นเหมือนกันล่ะเด็กมันก็เลยเกิดความสงสัยพอเสร็จแล้วก็มาถาม แล้วต่างคนก็ต่างเล่าความเป็นไปของจิตของตนเองให้อาจารย์ฟังอาจารย์ท่านก็บอกว่าคมที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่นั้นมันเป็นแต่เพียงคำพูดเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเราท่องบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตมันสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วสมาธิมันเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียว ใครจิจสงบเป็นสมาธิแล้วจะเป็นแตกต่างกันไม่ได้มันต้องเป็นอย่างเดียวกันคือจิจสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานมีทีสีมีความสุขอย่างเดียวกันหมดไม่มีแตกตา่างอันนั้นคือสัจธรรมความจรงิงทีนี้เด็กชาวเคลต์มันก็บอกว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นพระเจ้าของเธอกับพระเจ้าของฉันก็เป็นองค์เดียวกันสิ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 ให้นักฟังเทศฟังธรรมนักปฏิบัติทั้งหลายฟังเพื่อมาย้ำกันอยู่ที่ตรงนี้ผู้จะปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลเป็นที่พอใจต้องมีศีลบริสุทธิ์เพราะว่ากายกับวาจาเปรียบเหมือนเปลือกสำหรับหุ้มไข่ใจเหมือนไข่แดงซึ่งอยู่ภายในเราจะนำเอาไข่ของเราไปปักให้มันเกิดเป็นตัวเราต้องรักษาเปลือกไข่ให้ปกติ อย่าให้มีรอยร้าวรอยบุบเพราะฉะนั้นผู้ตั้งใจจะปฏิบัติสมาธิภาวนาให้เจริญก้าวหน้าทางคุณลธรรมอย่างจำต้องปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะมันเป็นสิ่งที่ปรับกายวาจาให้มีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษถ้าหากกว่าเรายังรักษาศีลไม่บริสุทธิ์สะอาดการปฏิบัติธรรมของเราก็เป็นไปไม่ได้ดีเท่าที่ควร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 เจตใจก็มีแนวโน้มไปในทางที่จะละท้วประพฤติปีทำจิตให้บริสรุทธิ์สะอาดอันนี้หลักของท่านท่านก็อยู่ที่ตรงนี้ศีลปริภาวิโตเสีลนอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตที่ท่านอาจารย์มหาบัวท่านบอกว่าปัญญาอบรมสมาธิหมายถึงปัญญาอบรมจิต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 ซึ่งมีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าศีลปริพาวิโตสมาธิมหัพโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตังสัมมาเดวะอสเวหิวิมุตติศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตจิต ที่ถูกปัญญาอบรมดีแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงด้วยปการะชะนีสมาธิที่มีพลังงานต้องมีความสว่างเป็นเครื่องหมายจิตเพียงแค่หยุดนิ่งเฉยๆเป็นแต่เพียงความสงบหรือเป็นสมาธิที่ยังไม่มีพลังงานหลังจากที่หยุดนิ่งแล้วก็เกิดสว่างขึ้นมา อันนั้นเรียกว่าสมาธิมีพลังงานเมื่อจิตสง บ, บสว่างแล้วจิตจะมีทางดำเนินไปสองทางทางหนึ่งมีความสง บ, บละเอียดยิ่งขึ้นคือสง บ, บนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งเรื่อยไปเรียกว่าจิตเข้าสมาธิดำเนินตามแนวทางของฌานสมาบัติแต่อีกอย่างหนึ่งพอสง บ, บนิ่งแล้ว เกิด ค, ความรู้ความคิดผุดขึ้นมายังกระนำผู้อันนี้เป็นสมาธิที่จะเป็นไปในทางวิปัสสนาอีกอย่างหนึ่งเมื่อสงบสว่างแล้วจิตพุ่งกระแสะออกไปข้างนอกยอ่อมเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาเช่นภาพคนภาพสัตว์ผู้ผีปีศาจเทพดาอินพรหม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 ถ้าเมื่อเรากำหนดูลจิตของเราเตย อ, อยู่มือนเมือนกับไม่สนใจกับภาพนิมิตนั้นนั้นหนักๆนักเข้าเมื่อสมาธิมีพลังแก่กล้าขึ้นภาพนิมิตนั้นอาจจะจะแสดงอาการตายหลางกายเล่าเปื่อยปุพังไปจังเหลือจะโครงกระดูก ในที่สุดโครงกระดูกก็สุดลงไปแหลกละเอียดเป็นผงหายจมไปในผืนแผ่นดินทีนี้บางทีจิตเมื่อย้อนเข้ามาหาตัวก็จะมองเห็นร่างกายของตัวเองนอนตายเคื่อนอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือถ้าจิตยังไม่ถอนจากสมาธิ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 แต่หากเป็นความสามารถของจิต ท, ที่ปฏิบัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติทีนี้เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้หายไปจิตก็จะเกิดปัญหาถามตัวเองขึ้นมาว่า น, นี่หรือคือการตายจิตหนึ่งก็จะบอกว่าใช่แล้วแล้วก็จะอธิบายต่อไปว่าในเมื่อตายลงไปแล้ว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 ในเรื่องของธรรมะตามความเป็นจริงความเป็นไปนของนักปฏิบัติสมาธิมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งในเมื่อเริ่มต้นด้วยการบริกรรมภาวนาหรือเพ่งอะไรก็ตามเขาจะบังคับจิตคมจิตให้มีแนวโน้มไปสู่ความสงบ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 อารมณ์อันเป็นคู่ของจิตก็คือพุทโธสัมมาระหังยบหนอพองหนออนาปานุสติลมหายใจกายจกตาติที่เราเอามาป้อนให้เป็นอารมณ์จิตนั่นเองในเมื่อเราเอาอารมณ์มาป้อนให้จิตเราพยายามสํารวมจิตนึกถึงสิ่งนั้นเช่นคำว่าพุทโธเป็นต้น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 โอ้ปฏิปัิธรรมกำหนดรูปสามอย่างนี้ต่างวาระกันเพื่อหมายความว่าขณะใ ด, ดที่จิตอยู่กับกลมหายใจก็ปล่อยให้อยู่ไปขณะใ ด, ดจิตมีความคิดก็ปล่อยให้คิดไปขณะใ ด, ดจิตว่างก็ปล่อยให้ว่างไปเพื่อปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนั่นเอง ทรรมชธาตุของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติสมีสิ่งระลึกเขาย่อมจะเพิ่มพลังงานขึ้นในที่สุดก็สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขแล้วลงผลสุดท้ายจิตอาจจะมายึดมั่นอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียว